พวกเราอะไรๆก็ผ่านตาไปโดยไม่มีสติยึดสติสิครับคงสติเอาไว้และจะทำอะไรอย่างดีอย่างถูกต้องแม้กระทั่งสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาพระราชทธานปริญญาปีหนึ่งเท่าไหร่ครับหนึ่งแฉบับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระราชทธานให้ราชพัฏราชมงคลอีกหนึ่งแฉบับอยากรู้ว่าเหนื่อยแค่ไหน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 ในชีวิตเราก็มีความสุขนอนก็ไม่ต้องภาวาไม่ต้องทุกไม่ต้องอะไรตายเงาแห่งตนไม้ตนใหญ่ลูกที่อยู่ได้คอยอาศัยแผ่นดินยังกวา้างไกลแต่เมือนว่าหัวใจ mm. พอควา เกิดตรงนี้นั้นยังอยู่และยังอยู่เพื่อคอยรักษาจะรวมใจเข้ามาจะมีเพียงสัญญาในหัวใจจาก น, นี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูก